สวัสดีครับวันนี้เรื่องเล่าสยองขวัญขอนําเสนอเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ําเก่าเรื่องนี้ผมได้รับฟังมาจากพี่ที่ทํางานที่อยู่ด้วยกันกับผมครับแกชื่อพี่ชัยเป็นเรื่องที่แกประสบมาด้วยตัวเองแกเล่าว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นมาตอนที่แกอายุประมาณ23ปี แกไปทำงานอยู่กับเพื่อนที่ชื่อพิสมที่กรุงเทพทำงานมาประมาณสี่ปีก่อนที่แกจะกลับมาบ้านแล้วที่หมู่บ้านข้างๆจะมีอ่างเก็บน้ำเก่าอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านอ่างเก็บน้ำนี้บรรยากาศดูงเงียบสงบออกไปทางวางเวงเลยละ่ะมีปลาชุกชุมมากๆ แต่ก็ไม่ค่อยมีคนไปตกกันเลยจนวันหนึ่งพิสมเมาชวนพี่ชัยไปตกปลาที่อ่างเก็บน้ำนั้นโดยความที่เป็นคนชอบตกปลามากๆเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยตกปากรับคำชวนของพิสมพอเตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปคนละคันพากันเดินทางไปที่อ่างเก็บน้ำนั้นกันทันที อ่างเก็บน้ำนั้นจะอยู่ห่างจากหมู่บ้านออกไปราวสองกิโลไปถึงอ่างก็ราวๆสี่โมงเย็นแล้วก็รีบจัดแจงหาทำเลใครทำเลมันลักษณะของอ่างนั้นจะเป็นอ่างดินธรรมดาสภาพเหมือนสะที่ขุดเอาไว้สมากกว่าแล้วรอบๆอ่างมันจะมีต้นไม้ขึ้นล้อมรอบ ดูอึมครึมเลยทีเดียวพี่ชัยเลือกปักหลักอยู่แถวๆต้นมะม่วงต้นใหญ่ต้นหนึ่งส่วนพี่สมเลือกต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่ห่างกันราวหนึ่งรเมตรแล้วมันจะมีกอไผ่ยอยู่กอหนึ่งคันระหว่างพี่ชัยกับพี่สมเอาไว้ทำให้มองไม่เห็นกัน แต่สามารถตะโกนคุยให้พอได้ยินเสียงกันได้เบ็ดที่ใช้ก็คือเบ็ดฝรั่งนั่นแหละพี่ชัยเอาเหยืยปลอมติดเบ็ดแล้วก็เวียงออกไปแล้วก็เอาไม้มาปักเป็นหลักปักดินเพื่อมัดติดกับคันเบ็ดไว้จะได้ไม่ต้องนั่งถือให้เมื่อยพอนั่งเฝ้าเบ็ดไปได้สักพัก ด้วยบรรยากาศรมรื่นชวนให้ง่วงพี่ชัยก็เผลอหลับไปจนมาสะดุ้งตื่นรู้ตัวอีกทีฟ้าก็เริ่มโพเพลแล้วน่าแปลกที่ปลาชุมขนาดนั้นกลับไม่กินเบ็ดเลยพี่ชัยก็เลยถอดใจเตรียมจะเก็บเบ็ดกลับบ้านแล้วตะโกนเรียกพี่สม เพื่อจะชวนกลับบ้านแต่พี่สมแก่ก็ไม่ตอบพี่ชัยก็สงสัยว่าพี่สมหายไปไหนเลยจะเดินไปดูแต่ไม่ทันจะก้าวขาเลยพี่ชัยก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะอยู่ดีๆได้ยินเสียงเหมือนมีคนกระโดดน้ำดังตูมใหญ่พี่ชัยหันขวับตามต้นเสียง ระยะที่พี่ชายยืนอยู่ห่างจากต้นเสียงนั้นประมาณ10เมตรพี่ชายพยายามมองลงไปในน้ำตรงจุดที่น่าจะเป็นต้นเสียงนั้นช่วงเวลาโผเพลแบบนั้นก็พอมีแสงเล็กน้อยที่พอจะมองเห็นอะไรได้บ้างเพ่งมองสักพักก็เห็นเหมือนวัตถุอะไรสักอย่างลักษณะกลมๆ ลอยพลุบพลโผอยู่ในน้ำพี่ชัยเห็นท่าไม่ดีและรีบดึงเบ็ดกลับทันทีแต่เบ็ดกลับหนักหนักเหมือนไปเกี่ยวกับอะไรสักอย่างแกจึงพยายามดึงรอ ก, กลับพอดึงเข้ามาใกล้ในระยะหเมตรพี่ชัยก็ต้องตกใจแทบสิ้นสติเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั้นมันเป็นหัวคน ใช้ปากคาบเบ็ดแก้วไว้มีผมยาวสยายแผ่อยู่ในน้ำดวงตากลวงโบเป็นหลุมลึกใบหน้าซีดขาวดูน่ากลัวมากแล้วทันใดนั้นหัวผียนนั้นก็พูดขึ้นด้วยเสียงเย็นยะเยือกว่าชอบมากไหมตกปลานะ่ะแล้วก็หัวเราะเสียงยันยานหลอน วินาทีนั้นไม่ต้องคิดอะไรให้มากมายพี่ชัยพุ่งทยานวิ่งตรงออกจากตรงนั้นทิ้งคันเบ็ดเอาไว้ไม่เหลียวหลังมองเลยขวารถมอเตอร์ไซค์บิดออกจากที่นั่นอย่างเร็วโดยไม่สนใจเลยหัวปีสมยังอยู่ที่นั่นหรือเปล่าพอถึงบ้านแกก็ไม่พูดจากับใครเอาแต่นั่งตัวสั่นเงียบ เอาอผ้าห่มมาคลุมโปงจนเผลอหลับไปจนรุ่งเช้าพี่ชัยแกพอมีสติแล้วจึงได้ไปหาพิสมที่บ้านแล้วเล่าให้พิสมฟังเล่าจบเลยถามพิสมว่ากูตะโกนเรียกมึงทำไมไม่ตอบวะพิสมเลยตอบเสียงอ่อยว่ากูนะ่ะมาก่อนมึงอีกกูว่าเจอเหมือนมึงอ่แหละ กูกลัวจัดกูเลยไม่ทันได้บอกมึงพอเล่าให้คนแถวบ้านฟังเขาก็เลยพูดว่ามึงสองคนไม่รู้เรื่องหรือสิเมื่อสามปีก่อนอ่างนั้นน่ะมีคนไปตกปลาแล้วเจอหัวผู้หญิงถูกตัดเอามาโยนทิ้งํำพลางศพอยู่ในอ่างเก็บน้ำนั่นเมื่อพี่สมและพี่ชัยได้ยินเรื่องเล่าอย่างนั้น ก็คิดว่าคงต้องเป็นผู้หญิงคนนั้นแน่นอนหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ไม่ได้แวะเข้าไปที่อ่างเก็บน้ำนั่นอีกเลยและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ